จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันสุขที่แปดตุลาคมพุทธศักราชสอง3ันเป็นวันสำคัญเรียกว่าเป็นวันพระวันฟะวันธรรมะสวัสด คือเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบ ร, ริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตคือนักบวชหรือคราหัสคือผู้ครองเรือน งานยุทธุระทางพพุทธศาสนานี้มีอยู่สองธุระด้วยกันเรียกว่าคัมภีร์ธุระและวิปัสสนาธุระนี่คือธุระของชาวพุทธเราคือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่ควรที่จะบำเพ็ญที่ควรจะเจริญธุระทั้งสองส่วนนี้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็หมายถึงว่าให้เราเระลึกถึงความตายอยู่เสมอให้เราคิดว่า ชีวิตของเรานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครจะรับประกันว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหรเราจึงควรคิดเสมอว่าเราอาจจะตายในวันนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราตายในวันนี้และเราไม่ได้ทาภารกิจที่พระพุทธเจ้าสรงมอบหมายไว้ให้เราก็จะเกิดมาเสียชาติเกิดคือเราจะขาดทุนหรือเท่าตัว แต่จะไม่ได้กำไรจะไม่ได้พัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เข้าใกล้สู่มรรคผลนิพพานให้อยู่ไกลจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แห่งวัฏฏสงสารที่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาดังนั้นขอให้เราเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราไม่เจริญแล้วเราจะลืมและเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกนานซึ่งเราก็คงจะเห็นแล้วว่าคนที่เราคิดว่าจะอยู่นานนั้นบางทีเขาก็อยู่ไม่นานบางทีก็มีเหตุที่จะทำให้เขาต้องจากโลกนี้ไปถ้าเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาเราจะได้ทาในสิ่งที่ เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราที่แท้จริงดีกว่าเสียเวลาไปกับการทำประโยชน์ท้งท้งโลกซึ่งก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือทำประโยชน์เพื่ออัถภาพร่างกายเช่นทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเล้งท้องเพื่อร่างกายจะได้อยู่เย็นเป็นสุข แตร่างกายนี้ก็อยู่ได้ไม่นานไม่เกินร้อยปีก็ต้องก็ต้องหมดสิ้นไปอีกส่วนหนึ่งที่เราทํากันและจะทํากันมากก็ทําให้แก่กิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็คือความอยากต่างๆความโลภต่างๆที่เราพยายามหากันแต่ความโลภความอยากต่างๆที่เราทํา นั้นมันไม่ได้ช่วยจิตใจของเราแต่มันกลับผูกจิตใจของเราให้ติดอยู่กับเวียนการเวียนไหวตายเกิดไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นมีกิจกรรมที่จะช่วยปลดเปลื้องการเวียนไหวตายเกิดปลดเปื้องความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราก็คือกิจกรรมฤรุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบ ให้แก่พุทธบอยษัทสีไว้เจริญนั่นเองนั่นก็คือคันถะธุระและวิปัสนาธุระคันถะธุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสนาธุระคือการทําให้แจ้งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราสามารถทํา คำสอนของพระพุทธเจ้าให้แจ้งได้ใจของเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมใจของเราก็จะมีแสงสว่างที่จะนำพาจิตใจให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ธุระทั้งสองส่วนนี้ก่อนที่เราจะทำวิปัสสนาทุระได้คือการทํา พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สว่างให้แจ้งขึ้นมาภายในใจเราต้องทำคำถะทุระก่อนคือเราต้องศึกษาก่อนถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราก็อาจจะทำถูกบ้างผิดบ้างแล้วผลก็จะเป็นผลแบบลุ่มๆดอนๆคือมีเจริญบ้างมีเสื่อมบ้าง มีสุขบ้างมีทุกบ้างแต่จะไม่สามารถทําให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราไม่ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับแผนที่ที่คอยบอกทางเราเวลาที่เราจะเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไป เราต้องอาศัยแผนที่ศึกษาดูว่าสถานที่ที่เราต้องไปนั้นอยู่ทิศไหนจะต้องไปถนนเส้นใดถึงจะถึงสถานที่นั้นฉันใดสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความบรรลุถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขอันเลิศอันประเสริฐ ก็จะต้องมีแผนที่ก็ต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนากันนั้นก็อยู่ในคำสอนสามประการด้วยกันคือ 1. ทําทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอง ละบาป ท, ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงซึ่งเปรียบเหมือนขยะที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่เบิกบานไม่มีความสุขนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญกันแล้ว เครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือทานศีลและภาวนานี่เองการทำทานก็คือการให้สิ่งของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยเก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้านำเอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้ ก็จะทำให้เรามีความสุขทำให้เราตัดความโลภตัดความอยากตัดกิเลสให้เบาบางลงไปได้ใจของเราก็จะมีความเมตตามีความกรุณาก็จะไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่อยากไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น จะชอบแต่ช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะสามารถละบาปคือรักษาศีลได้อย่างสะดวกง่ายดายศีลห้าข้อที่เราต้องรักษากันก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปด ไม่เสพสุรายามานี่คือบาปที่เราจำเป็นจะต้องละให้ได้เรละได้ด้วยการจด้วยการสมาทานศีลด้วยการรักษาศีลศีลนี่แหละจะเป็นเครื่องมือในการที่จะป้องกันไม่ให้เราทำบาปและศีลนี้ก็มีอยู่สามลักษณะด้วยกัน ศีลที่เรารู้จักกันดีก็คือสมาทานศีลอย่างวันนี้เราได้สมาทานศีลกันแล้วได้สมาทานศีลห้าคือเราได้ขอให้พระได้บอกศีลแก่เราว่ามีอะไรบ้างการบอกศีล น, นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้ศีลคือพระไม่สามารถให้ศีลของพระให้แก่ ญาติโยมได้ศีนนี้เป็นของใครของมันเป็นสมบัติของจำเพาะตนไม่มีใครที่จะแบ่งให้ผู้อื่นได้และไม่มีผู้อื่นจะสามารถแย่งเอาศินจากเราไปได้เวลาพระบอกสินก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมรู้เหมือนกับเป็นการบอกทางว่าการระบบาปนี้ ก็มีอยู่หวิธีหข้อด้วยกันญาติโยมเมื่อรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเช่นวันนี้ก็ได้สมาทานศีลทั้งห้าข้อแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติอย่าสมาทานเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติเพราะถ้าเช่นนั้นแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การสมาทานนี้เป็นเหมือนกับเป็นการให้คำมั่นสัญญาต่อพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราได้มาสมาทานศีลแก่ท่านว่าวันนี้จะรักษาศีลทั้งห้าข้อไว้ให้ดีนี่คือวิธีรักษาศีลข้อที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองถ้าเรามีธุระ หรือไม่สามารถที่จะมาวัดเพื่อมาสมาทานศีลได้เราก็ยังสามารถที่จะรักษาศีลได้เรียกว่าเราตั้งใจรักษาศีลคือเรียกว่าศีลวีรัตวีรัตแปลว่าละเว้นการการละเว้นการกระทําต่างๆที่ศีลไม่ให้เราทำํำ คือเราไม่ต้องมาที่วัดมาสมาทานกับพระสงฆ์องค์จ้าเราเพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้จะขอรักษาศีลทั้งห้าข้อจะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนก็ได้ให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสักขีพยานว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าข้อเมือเม่อเราตั้งใจแล้ว เรารู้แล้วว่าศีลห้าข้อนั้นมีอะไรบ้างเราก็รักษาไปอย่างนี้เราก็มีศีลได้เวลาที่เราคิดจะทำบาปเช่นจะตบยุงจะฆ่ามดหรือจะพูดปดหรือจะหยิบของของผู้อื่นโดยที่เขายังไม่ได้อนุญาตเราก็จะได้ไม่ทำเพราะเรารู้ว่าวันนี้เราได้ สมาทานเราได้ตั้งใจคือเราได้มีอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะไม่ทำบาปเราก็จะมีศีลได้นี่คือวิธีรักษาศีลในกรณีที่ญาติโยมไม่สามารถมาวัดได้แต่อยากจะรักษาศีลก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานวิธีที่สาม ที่เราจะรักษาศีลได้ก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมถ้าเราปฏิบัติทมไปจนเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าบาปนี้มีจริงผลที่เกิดจากการทำบาปมีจริงคือไม่ได้ตายไปกับร่างกายผลต่างๆที่เราทำในวันนี้ ในชาตินี้ถ้าเป็นบาปนั้นจะต้องมีผลตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วคือถ้าตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเราจะเห็นเราจะมีดวงตาเห็นธรรม จะมีแสงสว่างในที่มืดเวลาเรายังอยู่ในที่มืดเรามักจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราเปิดไฟขึ้นมาเราก็จะเห็นขึ้นมาทันทีฉันใดถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นภพชาติต่างๆเห็นการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรักษาศีลอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือไม่วันพระก็ตามเพราะเรารู้ว่าการกระทำบาปนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจของเรานั่นเองเราก็จะรักษาศีลอย่างเป็นธรรมชาติคือรู้ ว่าจะละเมิดศีลห้าไม่ได้ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนี่คือศีลชนิดที่สศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมและเป็นศีลของพระอริยบุคคลคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นปุถุชนอย่างพวกเรานี้ยังลูกคำศีลอยู่ยังไม่มั่นใจว่าการรักษาศีล น, นี้ เป็นสิ่งที่ดีกับเราเรายังไม่แน่ใจบางเวลาเราก็จะไม่รักษาศีลได้เพราะเรายังหวงหรืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่จึงทําให้เราต้องทําผิดศีลเช่นเราหวงชีวิตของเราถ้าเกิดเรามีชีวิตของเรามีภัยขึ้นมา เราก็จะต้องป้องกันชีวิตของเราทันทีเช่นเวลาเราอดอยากขาดแคลนไม่สามารถไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมาได้เราก็ต้องไปยิงนกตกปลาเพื่อที่จะเอาชีวิตของผู้อื่นมาเลี้ยงดูเราหรือถ้ามีผู้อื่นจะมาปองร้ายเราเราก็ต้องป้องกันตัวเราเราก็อาจจะต้องฆ่าเขา อย่างนี้เราทำไปเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นว่าการฆ่าเขากับการปล่อยให้เขาฆ่าเรานี้ผลมันแตกต่างกันถ้าเราฆ่าเขาเราตายไปเราก็ต้องไปเกิดนิยบายถ้าเราปล่อยให้เขาฆ่าเราเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดนอยบายเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ได้เป็นเทพ หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไม่ต้องไปตกนรกนี่คือความแตกต่างของพระอริยเจ้ากับปุตุชนปุตุชนนี้ยังเป็นเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดไม่มีแสงสว่างไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรที่เป็นคุณมีอะไรที่เป็นโทษที่มีอยู่ในใจของเรา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 ให้รักษาคุณธรรมความดีงามต่างๆเพราะคุณธรรมความดีงามต่างๆเช่นศีลธรรมนี่แหละที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความทุกเบาบางลงาไปและหมดสิ้นไปได้ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช่ลาภยศสรเสริญสุด ที่จะสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นได้แต่กลับจะเป็นเหตุที่จะทำให้พวกเรานั้นเสื่อมลงต่ำลงได้ถ้าในการแสวงหาราบยศสารเสริญสุขของเรานั้นไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมเช่นเราอยากรวยเราก็ไปร้นไปจี้ธนาคารไปลักทรัพย์ของผู้อื่น ไปกระทําช่อราดบางหลวงคอร์รัปชันต่างๆอย่างนี้เรารวยแต่จิตใจของเราเสื่อมลงไปจิตใจของเราเสื่อมจากความเป็นเทพเป็นมนุษย์เสื่อมลงไปกลายเป็นเดราาัจฉานกลายเป็นเปรตเพราะการกระทําของเราที่ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมนั่นเองแต่ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรม เราจะไม่ทำอย่างแน่นอนถ้าเราเรายัางต้องทำมาหากินหาเงินหาทองเราก็จะทำอย่างซื่อสัตย์สุดจริตคือจะไม่ทำผิดศีลไม่ว่าจะเป็นข้อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีข้อลักทรัพย์ก็ดีข้อพูดปดโกหกหลอกลวงก็ดีเราจะหามาด้วยวิธีที่สุดจริตนี่คือ เรื่องของของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะต่างกับผู้ที่ยังมีความมืดบอดอยู่ผู้ที่มีความมืดบอดคือพุ้ตุชนอย่างพวกเรานั้นจะไม่คำนึงมากนักกับเรื่องศีลธรรมเมื่อถึงเวลาที่เราจาเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่เราต้องการเราอยากจะได้อะไรถ้าเราไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุเจริ เราก็มักจะหามาด้วยวิธีทุจริตกันเพราะเราไม่เห็นโทษของการทำผิดศีลเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะต้องไปเกิดเป็นอะไรบ้างนั่นเองแต่ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้รู้อย่างแน่นอนว่าตายไปแล้วจะต้องไปอบายถ้าทำผิดศีลท่านจึงไม่ทำผิดศีล แม้จะต้องเสียชีวิตไปท่านก็ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามทั้งหลายนี่คือเรื่องของการไม่ทำบาปขอให้พวกเราที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมนี้ขอให้เราเชื่อผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ที่สอนพวกเราให้เราระบาป ก, กันให้เรารักษาศีลกันเช่นวันพระนี้ก็เป็นวันศีลขอให้เรารักษาศีลกันวันตอนต้นเราก็เริ่มรักษาวันพระไปก่อนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้รักษาเลยแต่รักษาเพียงหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นี้ก็ยังไม่พอเพียงเพราะเป็นเหมือนากับการอาน้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ยังไม่สามารถที่จะชำระร่างกายของเราให้สะอาดหมดจดไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นได้ร่างกายของพวกเรานี้อย่างน้อยวันหนึ่งเราก็ต้องอาบน้ํากันวันละครังสองครั้งหรือมากกว่านั้นถ้าเราไม่ต้องการให้กลิ่นเหม็นของร่างกายติดอยู่กับร่างกายฉันใดถ้าเราต้องการที่จะ กำจัดพบชาติที่ไม่ดีที่จะตามมาในอนาคตคือพบในอบายต่างๆเราก็ต้องรักษาสิงให้มากกว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าต้องการจะป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายเลยเราก็ต้องรักษาให้ได้ทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรารักษาได้อย่างนี้แล้ว เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเรายังรักษาไม่ได้ถ้าเรารักษามากได้มากโอกาสที่จะไปเกิดก็มีน้อยถ้ารักษาได้น้อยโอกาสที่จะไปเกิดในอบายก็มีมากเพราะนี่คือหลักกรรมเป็นอย่างนี้คือการกระทาของเราทำบาปก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปเกิด เช่นวันนี้ญาติโยมมาทําบุญแล้วก็มารักษาศีลวันนี้ญาติโยมก็เป็นเทวดาชั่วคราวถ้าอยากจะเป็นเทวดาอย่างถาวรก็ต้องทําบุญไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาศีลไปเรื่อยๆถ้าพรุ่งนี้ไม่รักษ า, าศีลไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นเทวดาก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำไว้ว่าทำด้วยเหตุผลกลไกลอันใดเช่นถ้าทำด้วยความโลภคือ ท, ทั้งทั้งที่มีพอมีพอกินแล้วยังอยากได้มากกว่านั้นแล้วก็ไปทำบาปด้วยการทำเพราะความโลภความอยากได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าใจก็จะเป็นเปรต สะสมคุณสมบัติของเปรตไว้หรือถ้าไปทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเคืองอย่างนี้ก็จะเป็นนรกใจก็จะสะสมนรกเพราะใจจะมีความรุ่มร้อนมีความวุ่นวายมีความกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วถ้าทำเพราะไม่รู้ เช่นไม่รู้ว่าทำไปแล้วนี้มีผลแต่ต้องทำเพราะต้องทำมาหากินเช่นคนที่ยังต้องทำอาชีพที่ต้องไปค่าผู้อื่นอยู่เช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วค่าเป็ดค่าไกา่อย่างนี้ทั้งทั้งที่คิดว่าไม่เป็นบาปแต่มันก็เป็นบาปแต่เป็นบาปเพราะความไม่รู้ อย่างนี้ท่านว่าตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดราาัจฉานพอเดรัจฉานเขาก็ทำอย่างนี้พวกสิงสาราสัตว์ต่างๆเขากินกันเขาฆ่ากันเพื่อรักษาชีวิตของเขาเขาไม่รู้ว่าทำไปแล้วนั้นเป็นบาปเป็นกรรมมีผลที่จะทำให้เขาจะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกเพราะว่าไม่มีใครสั่งสอน เพราะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนานั่นเองแต่พวกเรานี้ถือว่ามีบุญมีโชควาสนาที่ชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนเรื่องของบาปกรรมว่าการกระทำบาปนี้มีผลต่างๆตามมาอย่างแน่นอนขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิด เพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่จะมาโกหกหลอกลวงพวกเราให้เราทําบาปไม่ให้เราเลิกจากการทําบาปแต่ท่านทรงเห็นแล้วด้วยปัญญาด้วยพระทัยอันสะอาดบริสุทธิ์ว่าการทําบาปนี้แลเป็นเหตุที่จะไปทําให้ไปเกิดในอบายนั่นเองท่านจึงเสียสละเวลา ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วนำเอาคำสอนที่พระที่ทรงรู้ทรงเห็นเอาความรู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกให้สัตว์โลกได้ปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยเฉพาะการที่จะต้องไปเกิดในอบาย ถ้ายังไม่ถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าสามารถรักษาศีลได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นพระโวดาบันนี้เมื่อท่านได้บรรลุแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล้วภพชาติของท่านนี้ก็จะไม่มีต่อไปในอบายและจะไม่เหลือเกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก เจ็ดชาติที่เหลือนี้ก็จะเป็นชาติของมนุษย์ของเทพเท่านั้นคือจะมาเกิดในสุขตินี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามทาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็คือคันถะทุระและวิปัสสนาทุระให้สมบูรณ์ อา น, นิสงส์อันดีอันเลิศ ต, ต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาริยรสงสาวกทั้งหลายได้รับนั้นก็จะเป็นอา น, นิสงส์ของพวกเราเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้เราจงเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เราละบาปทั้งหลาย ทั้งปวงแล้วก็ให้ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการปฏิบัติธรรมคือการภาวนารับรองได้ว่าประโยชน์สุขต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับนั้นก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญธุระของพุทธศาสนิกชนคือคันัะธุระและวิปัสสนาธุระนี้ให้ท่านได้นำเอาพิพนิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา